รอบรู้ในกองศีลพระพุทธเจ้าทั้งหมดใช่ไหมรอบรู้ในกองธรรมคือสมาธิทุกอย่างของพระพุทธเจ้าทั้งหมดใช่ไหมรอบรู้กองปัญญาทั้งมวลของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดใช่ไหมรอบรู้วิหารธรร Japanese LD มเครื่องอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะเช่นนิโรสมาบัติของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดใช่ไหมรู้หรือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นหลุดพ้นด้วยตะทางพระวิมุตติขำปัญาวิมุตติสมุดเฉิทายวิมุตติปฏิปัสสัตทิวิมุตติอย่างนี้หรือรู้อย่างละเอียดเลยใช่ไหม หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะก็แปลว่าทไมถึงขนาดนั้นลรอกนันนะหมายความว่าไม่รู้ในวิสัยของพระสัพพันธ์อยู่แต่รู้ในวิสัยของสาวกเพราะฉะนั้นตอว่าหาไม่ได้หมายความไม่รู้ในวิสัยของพระพุทธเจ้าแต่รู้เฉพาะในวิสัยของพระสาวกพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าดูก่อนสาหรีบุตรแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นใดที่จะมีต่อไปในอนาคตตาง เธอกำหนดรู้แล้วด้วยใจซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทุกพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลอยา่างนี้แม้ด้วยประการชนีเป็นผู้มีธรร ม, ยมอย่างนี้แม้ด้วยประการชนีเป็นผู้มีปัญญาแม้อย่างนี้ด้วยประการชนีเป็นผู้มีวิหารธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้แม้ด้วยประการชนีเป็นผู้มีวิมุตตหลผุดพ้นพิเศษแล้วอย่างนี้แม้ด้วยประการดังนี้นหรือ ตรวจสอบแล้วใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตนั้นน่ะมีศีลมีธรรมคือสมาธิมีปัญญามีวิหารธรรมมีวิมุติอย่างนี้อย่างนี้สำรวจตรวจตราหมดแล้วใช่ไหมหาไม่ได้พระเจ้าค่ะแต่ท่านรู้ในวิสัยในส่วนของสาวกนะแต่วิสัยพระพุทธเจ้าไม่รู้อันะั พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนสารีบุทธเธอกําหนดรู้แล้วด้วยใจซึ่งเราตถาคตผู้อรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าในบัดนี้เธอตรวจสอบเราหมดแล้วใช่ไหมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีศีลอย่างนี้แม้ด้วยประการชนี้มีธรรมอย่างนี้ด้วยประการชนี้มีมมปัญญาอย่างนี้แม้ด้วยประการชนีเป็นผู้มีธรรมเครื่องอยู่วิหารธรรมแม้อย่างนี้ด้วยประการชนี ครัผู้มีพระภาคเจ้านั้นะเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้แม้ด้วยประการชนี้ดังนี้หรือก็แปลภาษาไทยว่าเธอตรวจสอบเราหมดแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยมียังไงเป็นยังไรตรวจสอบรายละเอียดทียิบหมดเลยใช่ไหมหามิได้พระเจ้าค่ะเหอนกัดูก่อนสหรีบทก็เพราะเธอไม่มีญาณเพื่อกําหนดรู้ใจด้วยใจเธอไม่มีสัพพัญญุตญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นที่จะรู้ สัพพัญยูคุณทั้งหมดที่เคยมีในอดีตในอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นอย่างนั้นเพ่อเหตุไรเธอจึงกล่าวว่าจาอันอง อ, อันอาจหารโอลานอย่างนี้ถึงกับบรรลือาาศีรษนาฏที่เชื่อถือได้โดยแท้กล้าพูดได้อย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณอื่นผู้มีปัญญารู้ยิ่ง คือคนที่จะรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในทางสัมโพธิญาณการตรัสรู้เนี่ยไม่เคยมีมาแล้วอดีตไม่เคยมีใครเนี่ยรู้เท่านี้แน่นอนขออภัยไม่เคยมีใครรู้กว่านี้แน่นอนในอนาคตก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งไปกว่านี้แน่นอนปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงพระมีพระพุทธเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวอันนะ คือเธอตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนะเธอไม่มีสัพพัญยุตยานไปตรวจพระพุทธเจ้าในอดีตไปเช็คพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือสำรวจตรวจสอบใครควรรอบครอบในพระพุทธคุณทั้งหมดทําไมเธอจึงอาจฐานพูดขนาดนี้นะแต่ยังพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแบบขัดคอนะฟังให้ดีแต่ว่าคือคือหมายก็ว่าจะพูดอะไรมันควรจะมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมเธออาศัยเหตุผลอะไรจึงได้กล่าววาจาที่องค์อาจขนาดนี้ ภาษารีบยบก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มียานเพื่อจะกําหนดรู้ด้วยใจคือไม่ไม่สามารถใช้สัพพัญญุตยานไปตรวจรู้อดีตอนาคตเช่นนั้นหรอกไม่สามารถจะไปกับตรวจ ด, ดูพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตในอนาคตปัจจุบันแต่ข้าพระองค์รู้รู้การดําเนินรู้โดยเรียกว่าอนุโลมหรืออะไรนะอนุมาณนะ อนุมานเรียกว่าตามคันลองแห่งธรรมเรียกว่าอาศัยหลักการแล้วก็คํานวณตามหลักการเนี่ยนะจึงรู้ได้พระเจ้าข่าเรารู้โดยการดําเนินไปตามธรรมเรียกว่าถ้าใครควรไปตามธรรมแล้วก็ตอบได้ว่ามันเป็นอย่างนี้แน่นอนแต่ไปเห็นชัดเจนเข้าใจทะลุปรุโปรงไม่ได้อย่างอย่างที่เราเรียนบอกว่ารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเป็นยังไงจากตามที่เราเรียนตามพระตไตรปิฎกเราเชื่อไหมบอกเชื่อเห็นจริงไหมไม รู้ด้วยสพันยูเหมือนพระพุทธเจ้าไหมบอกไม่เอาแล้วทำไมเชื่อก็โดยการอนุมานตามคันลองแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละทำให้รู้ได้เนี่ยทาให้รู้ได้ก็อาศัยตามแนวทางแห่งคำสอนทีนี้กขบอกว่าวินยูชนในโลกจะเข้าใจเนื้อความได้ก็ต้องอาศัยอุปมาภาษาธิบทก็อุปมาว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญเปรียบเหมือนนครที่ตั้งอยู่ชายแดนของพระราชา เปรียบเหมือนเมืองเล็กกิ่งน้อยเป็นเมืองเลยน้อยอยู่เมืองหนึ่งเนี่ยนะเป็นเมืองที่มีประตูมั่นคงมีค่ายมีกำแพงมีเสาค่ายแน่นหนาและเป็นเมืองที่มีประตูเดียวด้วยเมืองเมืองเมืองไม่ใหญ่นะเมืองไม่ใหญ่เป็นเมืองที่เล็กเช่นกว้างยาวประมาณสักกิโลหนึ่งเนี่ยนะกว้างยาวกิโลหนึ่งแบบทางเข้าออกนี่มิดชิดมากมีประตูอยู่ประตูเดียว นายประตูของเมืองนั้นเนี่ยนะเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาคอยห้ามคนทั้งหลายที่ตนไม่รู้จักอนุญาตเฉพาะคนทั้งหลายที่ตนรู้จักให้เข้าไปในเมืองนั้นนายประตูนั้นก็เดินไปตามทางโดยสำรวจโดยรอบนคร น, นั้นไม่เห็นรอยต่อแห่งกำแพงเป็นกำแพงติดกันเป็นเพื่อไปหมดไม่มีช่องข้อต่อไม่มีหรือไม่มีช่องว่างระหว่างในกำแพงไม่มีช่องว่างเลย แม้เพียงโดยที่สุดแมวรอดออกไปได้มิดชิดมากเมืองนี้นะกำแพงก็สูงด้วยะนะะมิดชิดมากแมวแมวยังรอดไม่ได้เลยเหมืนไม่ต้องพูดถึงคนเหมือนก น, นายประตูนั้นจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสัตว์มีชีวิตขนาดเครื่องไรๆเหล่าใดเข้ามาในเมืองนี้ก็ดีสัตว์ที่จะเข้าในเมืองเนี่ยนะที่เกินแมวเนี่ยหมดสิทธิ์แน่นอน ที่จะเข้าเมืองนี้ก็ดีที่จะออกเมืองนี้ก็ดีสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นทั้งหมดจะเข้าหรือออกโดยประตูนี้ประตูเดียวฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าพระองค์ก็ฉันนั้นนั่นแลรู้การดําเนินไปตามทางแห่งธรรมะโดยที่เรียกว่าโดยอนุมานตามคันลองแห่งธรรมเนี่ยนะอาศัยแนวทางตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็รู้ได้อย่างนี้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นใดไ ด, ได้มีแล้วในอดีตการ คิดได้ว่าแนวทางที่จะทําให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทุกพระองค์ละนิวรณ์หประการสาระสําคัญก็คือละนิวรณ์ห้าประกา ร, า ร, กา ร, การซึ่งเป็นอุปกิเล์ของใจเป็นตัวที่ทําปัญญาให้ทุรพล ค, คือหมดกําลังว่างั้นเถอะหมดกำลังใจหมดเรี่ยวหมดแรงไปหมดก็เพราะนิวรณ์นี่แหละทําให้หมดกําลังใจหมดเพราะฉะนั้นที่หมดกําลังใจก็เพราะตัวนิวรณ์ และพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็เป็นผู้มีจิตเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีแล้วในสติปัฏฐานสี่เจริญโพชชงเจตตามความเป็นจริงละนิวรห้5จิตตั้งอยู่ในสติปัฏฐานเจริญโพชงเจจึงได้ตรัสรู้ยิ่งซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอเยี่ยมอันนี้ที่เรียกคัลลองแห่งการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านะละนิวรหจิตตํารงมั่นในสติปัฏฐานเจริญโพชนเจบรรลุ สัพพัญยุตยานบรรลุสัมโพธิญาณอันนี้คือแนวทางพระพุทธเจ้าในอดีต ท, ทุกพระองค์เป็นอย่างนี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นใดที่จะมีต่อไปในอนาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ก็ทรงละนิวรณ์ห้าประการซึ่งเป็นอุปกิรณ์เครื่องเศร้าหมองของใจที่ทําปัญญาให้ทุรพล พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้มีจิตเข้าไปตั้งมั่นด้วยดีในสติปัฏฐานสี่เจริญพชทชงเจ็ดตามความเป็นจริงจากตรัสรู้ยิ่งซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม น, น, นะนะคริวแนวทางคันลองแห่งการตรัสรู้ก็ละนิวรเจริญสติปัฏฐานและอบรมพภทชงนั่นเองข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแม้พระผู้มีพระภาค พ, พร ะ, ะผู้เป็นองค์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ พระองค์ก็ละแล้วซึ่งนิวรณ์ห้าประการซึ่งเป็นอุปกิเลส ข, ของใจเป็นเครื่องทำปัญญาให้ธุรพลเป็นผู้มีจิตเข้าไปตั้งอยู่ด้วยด้วยดีในสติปัฏฐานสีเจริญพทชงเจ็ดตามเป็นจริงตรัสรู้ยิ่งแล้วซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมดังนี้มันก็เรียกว่าแนวทางทิศทางไม่ต่างกันเลยพระเจ้าค่ะ เสรแล้วพระสารีบุตรก็ชื่นชมพระพุทธคุณทั้งหลายอีก16อีก16อย่าง น, นะอีก16อย่างที่ชื่นชมประกาศถึงว่าเหตุผลที่ท่านเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่มีอยู่เท่านี้นะยังมีหมวดธรรมอื่นๆ อ, อ, อ, อีกนะเช่นเกี่ยวกับเรื่องกําเนิดสีเกี่ยวกับเรื่องสัพพันญูเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลายๆเรื่องเกี่ยวกับอายตนะบัญญัติการเจริญโทษชมการอย่างลงสูคง่คันเป็นต้นนะอิทธิวิธีปรกจิตะ เรื่องอริยริทเรื่องอะไรอีกล่ะยอย่างที่ภาษารีบุตรคํานวณใครควรแล้วว่าจึงเลื่อมใสยอย่างยิ่งและก็ประกาศความเลื่อมใสเนี่ยนะเลื่อมใสามากที่มาของคําว่าสัมปัสาธนิยสูตรสัมปัสสะาเนี่ยแปลว่าศรัทธาอย่างยิ่งเนี่ยนะสูตรที่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอย่างยิ่งสําหรับภาษารีบุตรแล้วก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนให้ภาษาบอกให้ภาษารียบบทเนี่ยกล่าวสูตรนี้บ่อยๆเนี่ยนะ เพื่อที่จะตัด ข, ขจัดความสงสัยแห่งโมฆะบุรุษบางพวกเอางั้นที่ไม่เลื่อมสายในพระพุทธคุณเนี่ยนะซึ่งเป็นพระสูตรที่คนฟังแล้วก็บอกว่าเลื่อมสายมากเนี่ยเพราะว่าผู้ที่ชื่นชมเนี่ยเป็นคนมีปัญญาก็อย่างที่กล่าวว่าเอาคนไม่รู้เรื่องมาชมเนี่ยมันไม่น่าฟังมันน่ารำคาญมากอนะแต่นี้คนที่มีความรู้ที่สุดมาชมคนที่มีความรู้ยิ่งกว่าเอา ง, งั้นนะ ที่สุดของสาวกเนี่ยนะก็คือภาษารีบท้วและคนที่มีความรู้ที่สุดระดับสาวกเนี่ยชื่นชมพระพุทธเจ้าผู้ผู้ที่มีคุณยิ่งกว่าเนี่ยจะพพร่ละขนาดไหนฉะนั้นใครอยากอ่านก็ไปอ่านในสัมภาสาทนิยสูตรแ ล, ล้วกันกล่าวกันมาว่าณนะที่ปาวาริ ก, กรัมภวันนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เมือง ขอพายูณตาวาทิก ร, รมพวันในเมืองนารันทานั้นก็ทรงธทรมีกถานี้นั่นแหลเป็นอันมากแก่พิสุทั้งหลายว่าศีลมีอยู่ด้วยประการชนี้สมาธิก็มีอยู่ด้วยประการชนี้ปัญญามีอยู่ด้วยประการชนีนะแต่พูดอีกในหนึ่งศีลก็คือวินัยปิฎกสมาธิก็คือพระสุตตันตปิฎกปัญญาก็คือพระอภิธรรมปิฎกอ่ะนะศีลสมาธิปัญญาถ้าเรียงมาแล้วก็จะเป็นวิสุทธทิเจ็ดประการหรือเป็นมรแปด สมาธิเนี่ยนะถ้าหมายเขาว่าถ้าอบรมสมาธิแล้วเนะี่ยนะขออภัยถ้าอบรมศีลเป็นอย่างดีแล้วสมาธิก็จะมีผลมากเมียในสงมากถ้าอบรมสมาธิไว้ดีแล้วปัญญาเนี่ยนะก็จะมีผลมากเมียในสงมากปัญญาที่อบรมดีแล้วจิตก็จะมีผลมากเมียในสงมากหมายเขาว่าถ้าอบรมดีๆเนี่ยนะคุณธรรมชั้นสูงก็ยิ่งมีคุณค่ามีราคายิ่งยิ่งขึ้นไป นั้นถ้าอบรมปัญญาดีเพียงพอเนี่ยนะจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเนี่ยนะไม่ถือมั่นด้วยกามุปาทานที่ถุกปาทานสีระพตุปาทานและอตวาทุปาทานหลุดพ้นจากกามาสวะด้วยอนาคามีมักหลุดพ้นจากภวาสวะอวิชชาสวะด้วยอรหัตตมักหลุดพ้นจากทิฏฐสวะด้วยโสดาปติมักนั่นเอง เดี๋ยวพักซะ ก, ก่อนเนี่ยะค่อยกล่าวในเรื่องปาตลิขาม